จเจริญอนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทาภารกิจที่สำคัญที่สุดของชีวิตภารกิจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างแท้จริงภารกิจนี้ก็คือการดูแลรักษาจิตใจเพราะจิตใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริง เป็นของที่จะไม่มีวันที่จะจากเราไปจะอยู่กับเราไปตลอดแต่สิ่งตา่ต า, ตางๆนั้นไม่สามารถจะเป็นของเราและอยู่กับเราไปได้ตลอดเป็นของเราเพียงชั่วกราวเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลตา่ตางๆและร่างกายของเราล้วน เป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวมีวันที่จะต้องหมดสภาพไปแต่สิ่งที่ไม่มีวันหมดสภาพไปสิ่งที่จะเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดก็คือจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราได้รับการดูแลอย่างดีจิตใจของเรา ก็จะให้ความสุขกับเราอย่างยิ่งอย่างไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะสามารถให้ได้ถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจของเราเราก็จะปล่อยให้ใจนั้นสร้างความทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีความทุกข์อะไรในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่เท่าได้ ดังนั้นการดูแลรักษาใจของเราจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าไม่ได้ดูแลรักษาใจปล่อยปละละเลยใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจไม่มีวันหมดสิน้นถ้าดูแลใจใจก็จะกัดก็จะกาจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจให้หมดไปจากใจ ให้มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดอย่างใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหาันตสาวกทั้งหลายได้รับการดูแลด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติจนใจได้กลายเป็นใจที่ประเสริฐเลิศโลกเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของสัมโลก อันนี้เกิดจากการดูแลรักษาใจศึกษาว่าวิธีที่จะรักษาใจให้มีแต่ความสุขให้ไม่ให้มีความทุกข์นั้นทำอย่างไรพอรู้จักวิธีแล้วก็นำเอามาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลที่ดีก็จะเกิดตามมาใจของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมด เหมือนกับของพระพุทธเจ้าเหมือนกับของพระอาหารหันตสาวกเหมือนกับเดรัจฉานเหมือนกับสัตว์ชนิดต่างๆเป็นใจเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าได้รับการดูแลมากน้อยเท่านั้นถ้าได้รับการดูแลมากก็จะเป็นใจที่สูงเป็นใจที่มีความสุขมากถ้าได้รับการดูแลน้อย ก็เป็นใจที่ต่ำเป็นใจที่มีความทุกข์มากทั้งหมดนี้อยู่ที่เจ้าของคือพวกเราที่จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลรักษาใจของเราเองถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ความจริงอันนี้เราก็จะถูกความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเรา หลอกให้เราไปดูแลสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แต่ไม่ให้มาดูแลจิตใจของเรานี่คือความหลงความหลงนิระที่เป็นเหตุที่ทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว <Yeah. S 1> เช่นเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่วิเศษ ไม่เห็นความวิเศษว่าอยู่ที่ใจของเราใจของเราความจริงนี้เป็นสิ่งที่วิเศษถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ใจของเราก็เป็นเหมือนเพชรนินจินดาส่วนสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเหมือนขยะมนฝอยดีๆนี่เองแต่ความหลงทำให้เราเมองไม่เห็นความจริงอันนี้ เห็นกับตาลรปัดกลับไปเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในเรื่องนี้เป็นสิ่งวิเศษสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเป็นที่พึ่งของเราที่จะทำให้เราปราศจากความทุกข์แต่ความจริงเป็นอย่างไรพวกเรามีกันมากมายกายกองสิ่งของต่างๆแล้วเรามีความสุขมากน้อยเพียงไรแล้วเราดับความทุกข์ ได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราพิจารณาดูเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในเริ่มนี้ให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขความสุขที่ได้รับนี้เป็นเหมือนน้ำตาลที่เคลือบยาขมเป็นผิวบางๆเท่านั้นเวลาอมใหม่ๆก็รู้สึกหวานดี แต่พอปล่อยให้ทิ้งไปสักระยะหนึ่งอมไปสักระยะหนึ่งแล้วน้ำตาลที่เคลือบอยู่ก็จะหายไปทีนี่ก็จะเหลือแต่ความขมของรสยาฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเหมือนกับยาขมเคลือบน้าตาลนี่เองให้ความสุขกับเราเพียงเล็กน้อยตอนที่เราได้มา ได้เหตได้สัมผัสแต่พอหลังจากนั้นแล้วความสุขนั้นก็จางหายไปปล่อยให้เรามีอยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอยู่กับความหิวอยู่กับความอยากพอไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ใหม่เราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจ เกิดความทุกใจเกิดความทรมานใจตามมาต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามความสุขที่ได้มาจากสิ่งต่างๆก็จะเป็นความสุขเหนียวเดียวแล้วก็จะมีความอยากได้สิ่งต่างๆใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกถ้าไม่ได้ก็จะทุกข์ถ้าได้มาแล้วสูญเสียไปก็จะทุกข์อีกเหมือนกัน แล้วว่าไม่ได้ว่าไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในเริ่มนี้อยู่ภายใต้กฎอนิจจงแปลว่าไม่เที่ยงไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเกิด และมีการดับไปไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจบุกนิจกายนี้เป็นของไม่เที่ยงได้ลาบมาก็มีวันที่จะต้องเสียลาบไปได้ยศมาก็ต้องมีวันที่จะต้องเสียยศไปได้สรรเสริญมาก็ต้องมีวันที่จะเสียสรรเสริญไป ได้นิน่ทากลับมาได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบาก็ต้องเสียไปแล้วก็จะได้ความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายตาา่างๆเพราะตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันต่ อ, อไปตาก็จะเสื่อมลงหูก็จะเสื่อมลงน่่งกายก็จะเสื่อมลง ตอร่างกายเสื่อมลงก็จะไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขต่างๆเหมือนกับตอนที่ร่างกายแข็งแรงได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความเศร้าส้อยห้อยเหงาความว้าเหว่ความทุกข์ใจนี่คือความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่พวกเราหลงคิดว่า เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่ให้ความสุขกับเราเป็นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่พวกเราทุกคนที่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มากันตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มาถึง บ, บัดนี้แล้วเราได้ดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจของเราได้หรื อ, อยังเราได้รับความสุขที่ ไม่ต้องคอยเติมไม่ต้องคอยหามาเพิ่มได้แล้วหรือยังไม่มีวันที่จะได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่ถาวรได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์อย่างถาวรได้มีแต่การดูแลรักษาใจของเรานี้เท่านั้นที่จะให้ความสุขที่ถาวรกับเรา และดับความทุกข์ที่ถาวนของเราได้พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวรงทั้งหลายเป็นผู้ได้พิสูจน์มาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วได้ดูแลรักษาใจมาแล้วจนใจของท่านมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปารมังสุขขงังแปลว่าบรลมมสุขคาว่าบรมสุขก็คือ เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาอันนี้แหละคือผลที่จะได้รับจากการดูแลรักษาใจของเราถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบที่พระพุทธเจา้าและพระอาหารหันตสาโลกทั้งหลาย ได้รับกันเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องศึกษาดูว่าพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนั้นท่านทำอย่างไรถึงทำให้ท่านได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ ได้พบกับบารมีสุขได้พบกับความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเราจึงต้องศึกษาพระพุทธประวัติศึกษาประวัติของพระสาวกทั้งหลายถ้าเราศึกษาเราก็จะเห็นว่าท่านทำทานอยู่อย่างต่อเนื่องเบื้องต้นก็ทำจากน้อยไปหามาก พอทำแล้วได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการทำทานก็จะทำให้มีความพอใจมีความยินดีที่จะทำเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็จะทำให้อยากจะรักษาสิงการทำทานแล้วจะทำให้ใจมีความเมตตากรุณามีความสงสารผู้จะไม่ชอบคิด เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบทำบาปจะชอบรักษาศีลรักษาศีลแล้วก็จะทำให้ใจยิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปทำทานก็ได้รับความสุขในระดับหนึ่งพอ ร, รักษาศีลได้ก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งาะจะมีความทุกข์น้อยลงไปนั่นเอง พอทำทานได้รักษาศีลได้ก็อยากจะทำใจให้มีความสุขมากกว่านี้ก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาตอนต้นท่านก็ทำทานไปเพียงเล็กน้อยรักษาศีลไปเพียงเล็กน้อยพอทำทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้น ก็ได้พบความสงบมากขึ้นก็อยากที่จะนั่งสมาธิเพื่อที่จะได้พบกับความสุขที่สมบูรณ์ความสุขที่เต็มร้อยท่านก็จะเริ่มนั่งสมาธิกันพอนั่งสมาธิได้จิตเริ่มสงบก็เห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิเห็นคุณค่าของความสงบของใจเพราะ ความสงบของใจนี่แหละที่ทำให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้พอได้พบความสุขเกิดจากการนั่งสมาธิแล้วทีนี้ก็จะเบื่อกับความสุขที่ได้จากลากยศสรรเสริญที่ได้จากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆ ก็จะทำให้อยากจะนั่งสมาธิมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นก็จะตัดสินใจเปลี่ยนเพศจากการเป็นค า, าราว่ามาเป็นนักบวชเพราะว่าการเป็นค า, าราว่านี้มีพันธะมีภาระต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบ ต่อการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องถ้าอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็จะต้องสละความสุขที่ได้จากการอยู่แบบคารวาอยู่แบบผู้เสพกามคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่แบบผู้ที่สแสวงหา ความสุขจากราบยศสรเสริญพระพุทธเจ้าและพระสาวกหลังจากที่ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็เลยทำให้มีความกล้าหาญที่จะสละความสุขทางโลกคือทางรูปเสียงกลิ่นรสทางราบยศสรเสริญไปได้พอส่งพบกับความสุข ที่ดีกว่าที่ยิ่งใหญ่กว่าเหมือนกับคนที่ได้รถคันใหม่เป็นรถเบนซ์อย่างนี้รถคันเก่าเป็นร ถ, รถตโตโยตา้าก็จะไม่อยากจะขับสละรถคันเก่าให้คนอื่นไปได้เพราะได้รถคันใหม่ที่ดีกว่าได้ น, นั่งรถเบนซ์ใครอยากจะไปนั่งรถโตโยตา้าถ้ามีคนให้รถเบนซ์เรามาขับ ชั้นใดความสงบที่เกิดจากทความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้ก็เป็นเหมือนรถเบนซ์ส่วนความสุขทางลาบยศสารเสริญ น, นี้ก็เป็นเหมือนกับรถโตโยตา้าพอเราได้พบกับความสุขที่ดีกว่าเราก็สามารถที่จะสลับความสุขที่ที่ด้อยกว่าได้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ท่านจึงสามารถสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขทางตาหูจมูกวิ้นก่แล้วก็ออกไปบงเพ็ญแบบนักบวชได้เพราะการที่จะได้ความสุขทางใจความสงบที่เกิดจากความสงบของใจนี้จำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ ต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ฟุ้งซ่าไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วก็จะทำให้เกิดความเครียดเกิดความกังวลกวาวลกะรกะสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วถ้าไม่ได้ตอบสนองความอยากก็จะเกิดความเสียใจเกิดความเศร้าใจเกิดความอิดหนาระอาใจ อาจจะคิดถึงกับอยากที่จะฆ่าตัวตายไปพราะไม่สามารถทําตามความอยากได้เช่นคนที่เอยมีทรพัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองมีอะไรต่างๆมากมายพอมาหมดเนื้อหมดตัวนี้จะไม่สามารถทําตามความอยากที่เคยทําได้เวลานั้นก็ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ต่อไป มีการฆ่าตัวตายกันมาหลายหลายแล้วคนที่สูญเสียลาบยศสละเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ่งกายไปแต่ความอยากที่จะเสพความสุขเหล่านี้มันไม่ได้ตายไปกับสิ่งต่างๆพอมันยังพอมันมีความอยากแล้วไม่ได้เสพมันก็เกิดความเศร้าสซ้อยห้อยหเหงา เกิดความว้าเหวเกิดความรู้สึกร้อยค่าในตัวของตนเองจนถึงจะต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายไปอันนี้เป็นเพราะว่าไม่เคยได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าความสุขของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสพทถะพระนี้ เป็นของชั่วคราวมีวันที่จะหมดไปได้มีโอกาสที่จะหมดไปได้ถ้ารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจหาความสุขอย่างอื่นมาทดแทนจะได้มาฝึกทำใจให้สงบพอทำใจให้สงบได้แล้วก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบไป นี่คือพระประวัติของพระพุทธเจ้าและของภาษาวกทั้งหลายพอท่านได้สัมผัสกับความสงบของใจได้พบกับความสุขที่ดีกว่าท่านก็เลยสละความสุขที่ด้อยกว่าไปสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละครอบครัวสละสามีสะละภรรยาสละบุตรทิดาเพราะทรงเห็นว่า เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขคนต่างๆที่เราอยู่ด้วยนี้ให้ความสุขกับเรานิดๆหน่อยแต่ให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเวลาเขาจากเราไปนี้เราต้องร้องห่มร้องไห้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันทำอะไรขัดอกขัดใจกันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ อยู่คนเดียวนี้จะไม่มีความทุกข์เหล่า น, า, กกานี้ไม่มีความทุกข์กับสามีไม่มีความทุกข์กับภรรยาไม่มีความทุกข์กับบุตรที่ดาไม่มีความทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขนี่แหละคือการดูแลรักษาใจของเราต้องรักษาด้วยการปฏิบัติตามที่พทศเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ได้ปฏิบัติกันก็คือทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเนียเองทำทานก็ทำจากน้อยไปหามากทำเท่ะเล็กเทลน้อยพอเห็นผลก็เพิ่มทำมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดก็สามารถทำได้เต็มร้อยคือมีเท่าไหร่ก็ให้ไปหมดเลยอย่างพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติไปเลย แล้วก็รักษาศีลอย่างเข่งคัดตลอดเวลาไม่ทำบาปเลยรักษาศีลหได้ก็ขยับขึ้นไปรักษาศีลแรักษาศีลแได้ก็ขยับขึ้นไปรักษาศีล10รักษาศีล227ตามลำดับต่อไปพอรักษาศีล227ิได้ก็จะสามารถปฏิบัติธรรม จเจริญจิตตภาวนาจเจริญส ม, มถาภาวนาคือทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้พอใจสงบเป็นสมาธิแล้วก็จเจริญวิปัสนาภาวนาต่อไปเพราะถ้าไม่มีวิปัสนาภาวนาก็จะไม่สามารถรักษาความสงบที่ได้จากสมถาภาวนาได้เวลาใจออกจากสมาธิ พอมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้พอเกิดความอยากถ้าไม่มีวิปัสสนาภาวนามายับยัง้งมายุติก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความสมบความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปดังนั้นหลังจากที่ได้สมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมา สิ่งที่จะต้องทำอีกขั้นหนึ่งก็คือการเจริญวิปัสนาภาวนาวิปัสนาแปลว่าอะไรวิปัสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆทั้งไหนในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่สามารถอยู่ภายใต้ควบการควบคุมบังคับของเราได้เช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ บุคคลต่างๆที่เรามีอยู่นี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีเกิดแก่เจ็บตายตามมาไม่สามารถไปห้ามเขาไม่ให้จากเราไปได้ไม่สามารถไปสั่งให้เขาทำตามคำสั่งของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรามีวิปัสสนามีความรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่สามารถที่จะไปยับยั้งเขาได้ไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่มีความอยาก ลืดับความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมาความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะกลับคืนมาเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราถ้าเรายังต้องให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเวลาที่เขาไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของเราได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ต้องการได้อะไรจากใครไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเข้าของต่างๆใจของเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์นี่แหละคือการดับความทุกข์อย่างถาวรต้องดับด้วยวิปัสสนา ภาวนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาที่ไม่สามารถตอบสนองก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจก็ต้องไม่ไป อยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรอันนี้แหละเป็นการที่จะรักษาความสงบรักษาความสุขให้เป็นปรังังสุขขงังคือให้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปได้เกิดจากการศึกษาประวัติของพระพทะเจ้าประวัติของพระสงค์ พระสาวกเกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติาก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมา เมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นพระอรหันตสาวกก็เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนที่พวกเราเป็นกันอยู่ยังมีความโลภโกรธหลงยังมีความทุกข์ยังมีความหวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆแต่พอได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพอพระพุทธเจ้าแล้วใจก็จะหายจากความทุกข์ทั้งหมดไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่กลัวไม่วิตกไม่กังวลกับการเสือ่อมกับการดับไปกับการสูญสิ้นไปของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆเพราะใจไม่ยึดไม่ติดใจรู้ทันแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเชั่อคราวใจจึงปล่อยวางให้เป็นไปตามความจริงเวลามาก็รู้ว่ามาเวลาไปก็รู้ว่าไป ไม่มีความยินดีกับการมาไม่มีการเสียใจกับการไปเพราะไม่มีความอยากให้อยู่หรือให้ไปนั่นเองอันนี้แหละคือผลที่พวกเราจะได้รับกันจากการที่เรามาวัดมาดูแลรักษาใจของเราอย่างที่เรามาทำกันในวันนี้เราก็มาทําทานกันมารักษาศีลกั น, กน มาเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนากันด้วยการฟังเทศฟังธรรมกาแฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เราได้สมถะและวิปัสสนาภาวนาในเบื้องต้นพอเราได้แล้วเราก็สามารถที่จะนำเอาไปต่อยอดได้การฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการปฏิบัติจิตตภาวนา ถ้าได้ฟังแล้วก็จะพอนาเป็นทำใจให้สงบเป็นทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นทำใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทำใจให้ได้พบกับปรลลังุขขังได้จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามหาเวลาเข้าวัดเพื่อมาดูแลรักษาใจให้มากขึ้นไปตามลำดับจนสามารถอยู่ในวัดไปได้ตลอด อยู่แบบเป็นนักบวชไปได้ตลอดและรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้านาพะพภาษาวกงทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจร